ในมาขึ้นสูตรต่อไปนะข้อความในเนติปรกรณ์ข้อหนึ่งสิบหน้าสองรนี่ก็พูดถึงสูตรที่ควรวิสัชนากับสูตรที่ไม่ควรวิสัชนาเป็นต้นเนะวิสัชนีย์สูตรก็คือสูตรที่ควรตอบสูตรที่ควรตอบเป็นอย่างไรเมื่อถูกถามปัญหาขันห้านี้ควรรู้จักเป็นอย่างดี ทุกขสัจจะนี้ควรกำหนดรู้นะควรทำความเข้าใจในขันห้ให้ดนะีถ้าเขาถามเกี่ยวกับขันห้าก็เป็นเรื่องที่ควรตอบเนะี่ยควรตอบให้ทุกขสัจจะควรกาหนดรู้นีนะอย่างที่พระพุทธเจ้านั้นย่อมสอนให้สาวกกำหนดรอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองนะ <c oughs> ให้กำหนดรู้อย่างไรให้กำหนดรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเป็นต้น สมุทัยนี้ควรละเนี่ยนะควรละด้วยตทางข้าประหารวิขำพระณะประปหารสมุเฉทประหารปฏิปัสสัตที่ประหารและนิสรณประหารส่วนมรรคสัษาษาจจะนี้ควรเจริญควรเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปนิโรสัจจะนี้ควรทําให้แจ้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเหล่านี้ที่ตนทําไว้แล้วอย่างนี้ย่อมทําให้เกิดผลอันนี้และนี้ เป็นความเจริญขึ้นแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเหล่านั้นที่ตนทําไว้แล้วอย่างนั้นทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นวิสัชชนียสูตรเป็นสูตรที่ควรวิสัชนาคือควรตอบนะควรตอบว่าอริยศาสตร์นั้นถ้าเขาถามเกี่ยวกับเรื่องขันห้าทุกสมุทัยนิโรธมรคนะทุกควรกําหนดรู้อย่างไรสมุทัยควรละอย่างไรนิโรธควรทําให้แจ้งอย่างไรอริยมรคควรทําให้ให้เจริญขึ้นได้อย่างไร กุศลถ้าทำไปแล้วมีวิบากเช่นนี้อกุศลทําไปแล้วมีวิบากเช่นนี้ทํำยังไงกุศลจะเจริญขึ้นทํำยังไงอกุศลจะลดลงอะไรเป็นเหตุแห่งกุศลอะไรเป็นเหตุแห่งอกุศลเป็นต้นถ้าคำถามในลักษณะอย่างนี้ควรตอบพึงแสดงโดยส่วนเดียวซึ่งพระ uh, ซึ่งความเป็นผู้ประเสริฐแห่งพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้า uh, พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐ ความคําสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยดีแล้วก็คือความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความเป็นผู้ปฏิบัติดีแห่งพระสงค์อันนี้ควรวิสัชนาโดยส่วนเดียวถ้าเขาถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้ประเสริฐใช่ไหมเป็นผู้ตรัสรูด้ดีตรัสรู้ถูกต้องเป็นต้นใช่ไหมตอบยืนยันได้เลยว่าใช่พระธรรมที่พระองค์สอนเนี่ยสอนไว้ดีจริงหรือเป็นต้นเนี่ยตอบโดยส่วนเดียวยืนยันเลยว่าแน่นอนดีจริง ความปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายก็เหมือนกันว่าพระสงฆ์นัเป็นผู้ปฏิบัติดีโดยแท้จริงนะแล้วก็ตอบยืนยันโดยส่วนเดียวว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาหรือข้อความใดก็ที่มีลักษณะคล้ายๆเช่นนี้คําถามประเภทนี้ควรตอบโดยส่วนเดียวอันนี้เรียกว่าวิสัชชนิยสูตรควรตอบเนีย่ยนะควรตอบหรือวิสัชนาวิสัชนาก็คือการตอบปัญหานั่นแหละ การตอบปัญหาว่าทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละมรคควรเจริญพระนิพพานควรทําให้แจ้งผลของกุศลผลของอกุศลอกุศลเจริญได้อย่างไรกุศลเจริญได้ยังไงละอกุศลได้อย่างไรทํา ไ, ทไมกุศลจึงไม่เจริญเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐพระธรรมคําคสอนเป็นสิ่งที่นําออกจากทุกเจงพระสงค์ปฏิบัติดีเป็นต้นสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ทำเป็นอนัตตาซิ่งเหล่านี้เนื้อความคล้ายๆแบบนี้ ตอบโดยส่วนเดียวยืนยันได้เลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆส่วนสูตรที่ไม่ต้องตอบอวิสัชนีสูตรหมายว่าการตอบนี้เขาไม่ได้ไปตอบทุกเรื่องบางเรื่องก็ไม่ต้องตอบไม่จำเป็นต้องตอบเช่นคําถามที่ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสารถีผู้ฝึกคนเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งปวงไม่สามารถรู้สิ่งที่พระองค์ผู้ปรารถนาทรงดำริได้ ความปรารถนาของพระองค์ผู้เสพอรหัตผลสมาธิอันสงบไม่มีกิเลสนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าปรารถนาอะไรคือขณะที่พระองค์เข้าพละสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะมีอะไรเป็นอารมณ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วพระองค์คิดกับนิพพานว่ายังไงอะไรไงไม่ต้องไปตอบหรอกอย่างนั้นไม่จําเป็นต้องตอบเรียกว่าอวิสัชณียสูตรไม่ต้องตอบหรือคําถามที่เรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้มีพระคุณมี พระองค์เนี่ยมีประมาณเท่านี้ในศีลขันพระองค์นี่มีสมาธิขันเท่านี้มีปัญญาขันเท่านี้มีวิมุติขันเท่านี้มีวิมุติยานทัศนขันเท่านี้พระองค์มีกายสมาจาร์เท่านี้วจีสมาจาร์เท่านี้พระองค์มีอนุภาพแค่นี้พระองค์มีเมตตาที่แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายในเพราะกรุณาพระองค์แสดงฤทธิ์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดว่าพระองค์มีเท่านี้เท่านี้เท่านี้ไม่จําเป็นจะต้องไปตอบทําไมอ่ะเพราะพุทธคุทั้งหลาย ศีลของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้จะเอาอะไรไปเป็นเครื่องเปรียบเอาดินน้ําไฟลมไปเปรียบไม่ได้หรอกเนีย่ยนะสมาธิของพระองค์ก็ไม่มีอะไรเปรียบปัญญาของพระองค์ก็ไม่มีอะไรเปรียบนะวิมุตติของพระองค์ก็ไม่มีอะไรเปรียบเพราะเป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดเนี่ยนะแม้แต่วิมุตติยาณทัศนาขันของพระองค์ก็ประเสริฐแล้วก็สูงสุดไม่มีเครื่องเปรียบแม้กระทั่งว่าถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย มีเมตตาเท่าใดพระองค์เนี่ยอยากให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รับประโยชน์เกื้อกูลแค่ไหนคําถามเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าไปตีประมาณตีประมา ณ, ต, มาณตีราคาพระพุทธคุณเป็นต้นไม่ได้นะพั้นจึงไม่ต้องไปต่อว่าพระพุทธคุณมีเท่าไหร่เป็นต้นเนี่ยน ะ, ะคำพูดประเภทนี้ไม่สมควรตอบหรือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเกิดขึ้นแห่งรัตนะสามคือพุทธรัตนะธรรม ร, รัตนะสังขรัตนะย่อมมีเพราะการเสด็จอุบัติขึ้นในโลก แห่งพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารัตนสามมีอนุภาพประมาณเท่าไหร่นี้ชื่อว่าอาวิสัชชินิยสูตรพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีคุณภาพเท่าไหร่คุณภาพของพระพุทธเจ้าแค่ไหนคุณภาพของพระธรรมเป็นยังไงคุณภาพของพระสงฆ์เป็นยังไงเนี่ยนะใครมาถามแบบนี้ไม่ต้องตอบไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้พรบอกว่าแค่ว่าถามว่าคุณภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้าว่ามีแค่ไหนเนี่ยนะตอบไม่ได้เพราะอะไร พุทธคุณหาประมาณไม่ได้อปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอปปมาโนสังโฆเนี่ยนะส่วนประมาณนวันตานิเิริงสปานี่คือพระพุทธเจ้ามีคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมมีคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์มีคุณหาประมาณไม่ได้ส่วนหมู่สัตว์ทั้งหลายมีคุณนับประมาณได้ก็โดยปกติถามว่าอาะไรเป็นเครื่องประมาณสิ่งที่เป็นประมาณเนี่ยนะเอามาเป็นประมาณก็คือราคะโทสะและโมหะ โดยทั่วๆไปนั้นราคาโทสะโมหะเป็นตัวประมาณมันก็ยังว่าอย่างใครเนี่ยนะราคาค่าตัวแค่ไหนก็วัดกันที่ถ้าโลภะมากค่าตัวน้อยเพราะอะไรเพราะค่าแรงมาอะไรนะคือคือปริมาณคุณภาพที่มันได้อคุณภาพก็เพราะราคาเพราะโทสะและเพราะโมหะนะอย่างว่านะอย่างไม้กระทั่งในโลกนี่นะปริมาณของคนโลภมากก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคนขี่โกรธก็มีค่าตัวไม่เท่าไหร่ คนยิ่งโง่ยิ่งหนักยิ่งไม่มีคุณภาพไม่มีราคาไม่มีคุณค่าอะไรเลยมันราราคะโทสะโมหะเป็นตัวให้วัดคุณภาพพระพุทธเจ้าปราศจากราคะโทสะและโมหะพระองค์จึงมีคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็มีคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์ทั้งหลายก็มีคุณหาประมาณไม่ได้ยังรูปกับกุศลอไหนดีกว่า กุศลกับรูปกับกับรูปธรรมอันไหนดีกักนกุศลดีกว่าแล้วถามว่ากุศลเนี่ยมีค่าเท่ากับรูปธรรมเท่าไหร่นะนะแต่ว่าคนทั่วๆไปนิยมตีกุศลเป็นรูปธรรมตีกุศลเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นเนี่ยนะตีกุศลมีว่ากุศลเนี่ยราคาเท่านั้นเท่านี้เป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้ ถามว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยธาจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องซื้อด้วยเงินเท่าไหร่ไม่ได้ซื้อด้วยดินน้ำลมไฟไม่ได้แต่กุศลทําให้เกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์สมบัติเกิดด้วยกุศลสวรรค์สมบัติก็เกิดด้วยกุศลไม่ได้เกิดเพราะดินน้ำไฟลมเนี่ยนะแต่กุศลเป็นเหตุให้เกิดขึ้นกุศลจึงมีคุณหาประมาณไม่ได้มีกุศลมากมายกุศลก็ยังมาแบ่งเป็นปริตตะมหักตะและอัปปามนะก็ไล่ไปอย่างนี้ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แทงตลอดอัปปามานธรรมแทงตลอดโลกุตระธรรมและก็แทงตลอดสัพพายยธรรมทุกชนิดมันจึงเปปริมาณคุณภาพพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระธรรมก็เหมือนกันพระสงฆ์ก็เหมือนกันนะมันจึงวัดปริมาณตีราคาไม่ได้เนี่ยนะเพราะเป็นรัตนะที่มีรัตนะนะรัตนะคือเหมือนกับแก้วจินดามณีที่ให้ความประสงสมความปรารถนาเนี่ยนะเพราะว่า จะตั้งความปรารถนาที่ใดที่จะเสมอด้วยพระพุทธรัตนะธรรมรัตนและสังขรัตนะผู้ที่บูชาพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะทําให้ปรารถนาเสียงใดก็สมประสงค์เป็นต้นนะอีกในหนึ่งก็บอกว่าพุทธวิสัยก็ไม่พึงวิสัชนาหมายคือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรู้อะไรแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะพุทธวิสัยปริมาณศักยภาพของพระพุทธเจ้านี่ก็ถ้าใครมาถามว่ามีเท่าไหร่ ก็ไม่ควรตอบคำปุจฉาที่เกี่ยวกับความเป็นผู้รู้อินทรีย์อันยิ่งและหย่อนของศัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงวิสัชนาเช่นว่าคนนี้มีอินทรีย์มากไม่มีอินทรีย์อ่อนมีอินทรีย์แก่กล้าเป็นต้นเนี่ยนี่ก็ตอบไม่ได้เพราะเป็นพุทธวิสัยเพราะอสสาธารณะญาณทั้งหลายเช่นอะไรนะพวก อา ศ, ย า, ศ ย, ายานุสยยานอินทริยะโปรภริยัติยานมหากรุณาสมาบัติยานยมกะปฏิหาริย า, ยานสัพพัญยุตยานอนาวารณยานเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณอะไรนะเป็นอาสาธารณะหมายว่าไม่ทั่วไปแก่ชนเหล่าเอิญเมื่อไม่ทั่วไปแก่ชนเหล่าเอิญจะจะตอบว่ามีปริมาณแค่ไหนเป็นต้นตอบไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายเบื้องต้นของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นนิวรนคือเครื่องกลางกัน้นมีตันหาเป็นสังโยชน์เครื่องผูกร้อยรัดสัตว์เหล่านี้ผู้ท่องเที่ยวเร่ร่อนไปบางครั้งก็ตกนรกบางครั้งก็เกิดในกำเนิดสัตว์เดราชาบางครั้งก็เกิดในเปรตบางครั้งก็เกิดในอสุรกายบางครั้งก็เกิดเป็นเทวดาบางครั้งก็เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเบื้องต้นของสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏ ว่าเริ่มมีตั้งแต่เมื่อไรอะนะตอนแรกเลยเนี่ยนะเราเนี่ยเกิดมาณที่ไหนตำแหน่งไหนตรงไหนะนะเกิดในนรกกี่ครั้งแล้วเกิดในเดรัจฉานกี่รอบแล้วเป็นเปรตมากี่รอบเป็นอสุรกายมากี่คราวเป็นเทวดามากี่ครั้งเป็นมนุษย์มากี่ครั้งเป็นต้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไร่ขณะใดครั้งงในเนี่ยนะไม่ปรากฏไม่ควรตอบใครจะไปตอบได้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรตอบ ส่วนคำถามที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นฉไนตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันตั้งไงเมื่อไหร่คล้ายๆว่าพันไก่จริงๆแล้วมันเริ่มมีตั้งไงเมื่อไหร่ใครผสมพันมันขึ้นอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นคําถามที่ไม่สมควรตอบคําว่าณปัญญายติคือไม่ปรากฏหมายความว่าไม่ปรากฏเพราะความบกพร่องแห่งญาณของสาวกทั้งหลายไม่ปรากฏหรอกเพราะไม่มีสาวกคนใดมีปัญญาอย่างถึงแบบนั้นได้หรอก เทศนาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายมีสองประการเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะปรารบสองอย่างคือปรารบตนกับปรารบผู้อื่นบทว่าณปัญญายติไม่ปรากฏนี้เป็นธรรมเทศนาที่ปรารบผู้อื่นปรารบศักว์อื่นว่าคนอื่นเนี่ยข่ควรตามไม่ได้หรอกส่วนคำว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รู้ไม่มีเทศนานี้ปรารบตนเพราะอะไรบ้างอะที่พระองค์ ไม่รู้แค่อายุของสัตว์นรกเนี่ยนะมันก็คํานวณยากแล้วเกิดนรกครั้งเดียวแล้วมันมีอายุกี่ปีนี่ก็ตอบยากแลนะ้วลองมาฟังดูที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระพิสุทั้งหลายคือที่พระโกกาลิกะเนี่ยนะไปโกรธใครโกรธพระสารีบดโกรธพระโมคขลานะไปว่าร้ายพระสารีบดพระโมคขลานะต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลดนิดหนึ่งมันหอนทีนี้ไอความที่ไปส่อเสียด ก็คือจะให้พระพุทธเจ้ากับพระสาวกเนี่ยนะแตกแยกกันก็คือไปว่าร้ายภาษาริบุตรพระโมคขลานะต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านะว่าภาษาริบุตรพระโมคขลานะเนี่ยเป็นผู้ที่ปรารถนาลามกเป็นต้นเนี่ยนะก็ไปว่าเสียดสีเออไม่ใช่เสียดสีส่เสียดให้แตกแยกกันพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าว่าอย่างนั้นภาษาริบุตรพระโมคขลานะเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจงทําใจให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นเถอะ โกคาริกาภิกษุก็ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่ปรารถนาลามกเนี่ยนะปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นต้นแล้วพระองค์ก็หลังจากที่นั้นนะก็เดินเรียกว่าหลีกจากที่เข้าเฝ้าไปสักพักหนึ่งนะไปสักระยะหนึ่งตุ่มนะพวกผดพวกอะไรก็ขึ้นมาเต็มตัวจากเล็กๆก็โตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะจากอะไรนะถ้ า, มาเมล็ดงากลายไปาาเมล็ดถั่วจากเลามาเล็ดถั่วเป็น มเมล็ด ก, กระเบลจากมเมล็ด ก, กระเบลก็เป็นอะไรใหญ่ขึ้นกว่าเมล็ด ก, กระเบลก็เป็นมาตูมลูกเล็กมาตูมลูกใหญ่ก็เท่ามาตูมแล้วก็แตกเน่าไปทั้งตัวเละหมดเลยนอนอยู่บนใบตองกล้วยนเนี่ยในที่สุดก็จุติ ต, ตายไปเมื่อตายไปแล้วนเนี่ยนะก็ตกนรกเกิดในปทุมนรกนะนะพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าโกกาลิกานี่เกิดในปทุมนรกเสร็จแล้วพระพิสุก็ถามว่าอายุของปทุมนรกเนี่ เ, นเท่าไหร่พระเจ้าค่ะ ก็บอกอ้ยมันนานมากบอกพระองค์อุ ป, ปมาได้ไหมบอกอุปมาได้ที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20สิบขารีานะยีสขารีก็คือเกวียนบรรทุกมเมล็ดงาเอ๊ะไปหมดลำเกวียนเนี่ยนะก็คือครึ่องคร่งคันสิบล้อนะเครื่อนะง10บล้อบันทุกมเมล็ดงาทั้งหมดเนี่ยร่วงร่วงไปร้อยปีเอาเม็ดออกเม็ดนึง มเมล็ดงาเนี่ยออกเม็ดหนึ่งร้อยปีออกเม็ดร้อยปีออกเม็ดจนหมดทั้งลำเล่มกวียนนะ่หมดทั้งเกวียนอ่ะนะหมดทั้งลำเกวียนเลยแหละ mm hmm. ก็บอกว่ามเมล็ดงานหนึ่งของชาวโกศลมีอัตรายี่สิบคารีจะเพิงกําหนดโดยทํานองนี้อย่างเร็วกว่าแปลว่ายี่สบคารีเนี่ยนะเราเอาเมะเล็ดง า, นานออกนี่ย่างเร็วกว่าแต่นรกแต่นรกที่สัตว์นรกมีอายุหนึ่งอภุท h a หาหมดไปไม่ เขาบอกว่าไอ้ร้ยเปียออกเม็ดร้อเปียว อ, ออกเม็ดจนหมดหนึ่งนกุยนเนี่ยนะยังไม่เท่ากับหนึ่งอัพุทธานรกเลย20อัพุทธานรกจัดเป็นหนึ่งนิรภพุทธานรก20ินิรภพุทธานรกเป็นหนึ่งอะพุทานรกหนึ่งอัพุทานรกเท่ากับ20อะไรนะอต ต, อ ต, ต, ต, ต, ต, ตออะอตตะเป็นหนึ่งอหตะเอออะหะะหะเป็นหนึ่งกุมุทะกุมุตนะดอกบัว 20กุมุตเป็นหนึ่งโสขันทิกะ20่สิบโสขันทิกะเป็นหนึ่งอุปละอ่าอุปละกะ20อุปละกะเป็นหนึ่งบุญทริกดอกบัวบุญทริกกันนะยีบุญทริกจะเป็นหนึ่งปฐมนรกมันนานขนาดไหนเน่ยมนมรุจนานยังไงเนี่ยพิกษุชื่อว่าโกกาลิกะเกิดแล้วในปทุมนรกนั้นเพราะมีจิตผูกอาฆาตในภาษารียบบทพระโมคลานะเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโทษของการโกรธ การเกลียดพระอริยะนี่มันมีโทษรุนแรงจริงๆนะมันก็บาปบาปมากมายอีกอย่างหนึ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนี้ประมาณไม่ได้นับไม่ได้อะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหาประมาณไม่ได้ไม่ต้องไปนับหรอกเช่นว่าทําบุญกับพระริยาเจ้าเนี่ยมีผลหาประมาณไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนับว่ามันเท่าไหร่นี่นะก็เพราะเป็นสิ่งที่นับประมาณไม่ได้เพราะนี้เรียกว่าอวิสัชญิยสูตรอะไรก็ตามที่พระองค์บอกว่าหาประมาณไม่ได้ไม่ต้องตอบเลย ก็พระองค์บอกแล้วว่าหาประมาณไม่ได้ก็อาจจะอุปมาให้เข้าใจได้บ้างแต่ว่ามันเนิ่นนานจริงๆเหรอย่างเช่นกลับหนึ่งนี่มีกี่ปีเนี่ยนะหนึ่งกลับนี่มีกี่ปีบอกโอ้ไม่ต้องไปนับปีโลกเนี่ยนะะอย่างที่ว่าหล้มกว้างยาวลึกกว้างหล้มเนี่ยนะกว้างยาวลึกเนี่ยนะยี่อะไรนะยี่ประมาณยี่สกิโลเมตรเนี่ยนะแล้วก็ลมเนี่ยรอย้อปีเอามาเล็ดพันประกาดตปหยอดเม็ดหนึ่งร้ปีหยอดเม็ดร้อปีหยอดเม็ดเนี่ยนะ ลมเนี่ยเต็มเร็วกว่ากับหนึ่งยังไม่สิ้นเลยเพะฉะั้นกับหนึ่งมันจะเนิ่นนานขนาดไหนหรือภูเขาที่มันสูงกว้างยาวใหญ่ประมาณ20กิโเมตรภูเขาหินแบบหินอะไรหินแกรนิตเลยนะแล้วก็เอาผ้าเนื้อละเอียดร้อยปีปัดทีหนึ่งร้อปีปัดทีหนึ่งมันเตี้นเสมอด้วยแผ่นดินเนี่ยนะนั่นยังเร็วกว่าว่ากับหนึ่งมันมันช้ากว่านั้นอีกก็ถามว่ามันกี่ปีดีมันกับแต่ละกลับเนี่ยมันเนิ่นนานขนาดนั้นมันไม่ต้องไปบอกว่ามันกี่ปีเนิ่นนานขนาดนั้นอ่ะนะ ยิ่งสังสารวัตรที่ถอยหลังไปนี่มันนานจริงๆอันเบื้องต้นเนี่ยจึงบุคคลตามรู้ไม่ได้เนี่ยนะสาวกทั่วไปไม่ใช่วิสัยที่จะตามรู้ว่ามันตั้งแต่เริ่มตั้งเ ม, มื่อไหร่นาะเนี่ยนะบรรดาสูตรเหล่านั้นวิสัชนียาวิสัชนียสูตรคือสูตรทั้งที่ควรตอบและไม่ควรตอบเนี่ยเป็นฉไหนในเมื่อคราวที่อุปกาชีวกกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคโดมผู้มีอายุท่านจะไปไหนคือแรกที่พระ อ, องค์ตรัสรู้ใหม่ๆนะ พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเราจะไปเมืองพาราณสีเพื่อแสดงธรรมจักอ น, นะเพื่อตีกลองอมตะเนี่ยนะตีกลองอมตะเพื่อประกาศธรรมจักรที่ไม่มีใครสามารถจะแสดงได้ในโลกอุปกาชีวกรถามว่าท่านพระโคดมผู้มีอายุท่านปฏิญาณตนว่าเป็นชินะคือผู้ชนะหรือพระพุทธเจ้าก็บอกดูก่อนอุปการพระพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งสิ้นอาสวะเช่นเราพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแหลชื่อว่าเป็นพระชินะคือชนะมารทั้งห้า บาปประทมทั้งหลายเราชนะได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าชนะถ้ามีคำถามว่าชื่อว่าชินะด้วยประการใดชื่อว่าชินะเพราะเหตุไรอันนี้ควรตอบชนะก็คือชนะมานทั้งห้าเจ้เหตุที่ทำให้เป็นชินะก็คือข้อปฏิบัติให้ทำเป็นพระพุทธเจ้าแล้วธรรมะตัวไหนชื่อว่าชินะอันนี้ก็ไม่ควรตอบคำถามว่าการสิ้นอาสวะเป็นอย่างไรก็ตอบว่า การสิ้นราคะหรือสิ้นโทสะหรือสิ้นโมหะหรือเชื่อว่าสิ้นอาสะวะอันนี้ควรตอบว่าใช่ส่วนคำถามว่าการมสิ้นอาสะวะนี่มีปริมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่ควรตอบอันนี้ก็เป็นการแยกว่าอะไรควรตอบอะไรไม่ควรตอบอย่างคำถา ม, ามที่บอกว่าสัตว์มีอยู่หรือสัตว์มีอยู่ไหมบอกควรตอบทำไมจึงควรตอบ บอกมีอยู่โดยโวหารไม่ใช่มีอยู่โดยปริมัตรควรตอบว่าสัตว์นี้มีอยู่โดยโวหารส่วนคำถามว่ารูปมีอยู่หรืออันนี้ก็ควรตอบว่ามีนะคำถามว่าสัตว์ชื่อว่ารูปหรืออันนี้ไม่ควรตอบสัตว์ใช่ไ้ยชื่อว่ารูปไม่ต้องตอบเพราะถ้าตอบว่าสัตว์คือรูปหรือว่ารูปอื่นจากสัตว์เนี่ยนะจะตอบก็ยังไงก็เป็นมิจฉาทิฐิไม่ต้องตอบคาถามว่าสัตว์มีรูปหรืออันนี้ก็ไม่ควรตอบ รูปมีในสัตว์ในรูปมีสัตว์หรือก็ไม่ควรตอบในสัตว์มีรูปหรือก็ไม่ควรตอบแม้กระทั่งคำว่าเวทนาเนี่ยนะเวทนามีอยู่หรือบอกอันนี้ควรตอบแต่ถ้าถามว่าสัตว์ช well. ื่อว่าเวทนาหรือไม่ควรตอบสัตว์มีเวทนาหรือก็ไม่ควรตอบในเวทนามีสัตว์หรือก็ไม่ควรตอบ ในสัตว์มีเวทนาอยู่หรือก็ไม่ควรตอบสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันเช่นคําว่าสัตว์ชื่อว่าวิญญาณหรือนี่ไม่ควรตอบถ้าถามว่าวิญญาณมีอยู่หรือควรตอบแต่ถ้าบอกว่าสัตว์มีวิญญาณหรือไม่ควรตอบเพราะอะไรเพราะวิญญาณก็ไม่ใช่วิญญาอสัตว์นี่สัตว์นี่เป็นโวหารคาถาที่เอาไว้พูดคุยกันเอาไว้สื่อกันเฉยเฉยไม่ได้มีอยู่จริงแท้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณชื่อว่าเป็นสิ่งที่มี จริงแท้เหนไอย่างที่นายมิลินทปัญหานี้ชัดเลยรูปใช่อผมใช่ไหมชื่อว่านากเรเกษนหาไม่ได้เล็บใช่ไหมชื่อว่านากเกษนหาไม่ได้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นนั้นคำถามเหล่านี้ท่านจะไม่ตอบนี่ก็เหมือนกันขันห้าเป็นขันห้าเป็นสัตว์หรือบอกไม่ควรตอบสัตว์มีอยู่ในขันห้าหรือขันห้ามีอยู่ในสัตว์หรือเป็นต้นคาเหล่านี้ไม่สมควรตอบอย่างเดียว พันคำว่าสัตว์นี้ไม่มีรูปหรือสัตว์ตไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรืออย่างนี้ก็ไม่ควรตอบนะบางอย่างก็ควรตอบสัตว์มีอยู่หรือก็บอกมีอยู่โดยโวหารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่หรือบอกมีอยู่แล้วรูปมีสัตว์สัตว์มีรูปหรือสัตว์อยู่ในรูปรูปอยู่ในสัตว์เป็นต้นมีอยู่หรือไอ้ทาอย่างนี้ไม่ควรตอบคือแยกสมมุติสัจจะเครียกว่าโวหารคําที่เอาไว้สื่อกันให้ออกกับสิ่งที่มีอยู่จริงโดย สภาวะเนี่ยนะส่วนคําถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายที่กําลังจุติอุบาทนะจุติปฏิสนที่อยู่ด้วยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์ทั้งหมดนี้นะว่าว่ามูสัตว์เหล่าใดผู้ทําความชั่วด้วยกายวาจาใจาเบื้องหน้าเอ่อเป็นมิจฉาทิฐิติเตียนพระเรียเจ้าเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นเนี่ยนะ คำเหล่านี้นี่ควรตอบส่วนคําถามว่าทาเหล่าไหนาชื่อว่าสัตว์ที่พระองค์บอกว่าเห็นว่าสัตว์จุติปฏิสนธิอ่ะนะที่บอกว่าการพูดถึงจุตูปปาตยานนี้ควรตอบเอาแล้วสัตว์ตัวไหนจุติสัตว์ตัวไหนปฏิสนธิอะไรชื่อว่าสัตว์ล่ะอันนี้ไม่ควรตอบเพราะคําว่าสัตว์นี้เป็นโวหารคถาเป็นถ้อยคําที่เอาไว้สื่อกันส่วนคํานถามว่าสัตว์มีอยู่หรือ คววิสัชนาบอกมีอยู่โดยโวหารมีอยู่โดยคําพูดส่วนคําว่าสัตว์นี่หลังจากตายแล้วหลังจากตายแล้วสัตว์มีอยู่หรืออันนี้ไม่ควรตอบเนี่ยนะทำไมจึงไม่ควรตอบเอางั้นก็สัตว์เกิดแล้วก็สัตว์ตัวเดียวกันนี่แหละตายก็ไม่ใช่เนี่ยนะก็มีการก็คือเรียกว่าต้องศึกษาอ่าเรียกว่าศึกษาในแง่แยกแยะอุปาทานขันห้าให้ชัดว่าอุปาทานขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตวมนั่นเอง ในเรว่า ว, สสสส ว, วสิสัชนียสูตรสูตรที่ควรตอบอวิสัชนียสูตรสูตรที่ไม่ควรตอบถ้ามารวมกันเรียกว่าวสวิสัชนียาวิสัช น, นียสูตรก็คือสูตรที่ควรตอบและไม่ควรตอบบางประเด็นควรตอบบางประเด็นก็ไม่ต้องตอบเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าตอบแล้วถ้าตอบว่าสัตว์เนี่ยตายแล้วเป็นอยู่สัตว์ตายแล้วมีอยู่หรือว่าสาัตว์ตายแล้วไม่มีอยู่ตอบยังไงมันก็เป็นมิจฉาทิฐิถ้าตอบว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกมิจฉาทิฐิสัตว์ตอบว่าสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีก ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะสัตว์นี่มันเป็นโวหารเนี่ยนะเพราะมันเป็นโวหารว่าโวหารเอาไว้สื่อกันเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าไปเข้าใจผิดเกิดขึ้นก็ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะ